ยาซีเรียกเรื่องเมียที่ฉลาดกระทาชายนายชุมพลพาแฟนสาวไปทานอาหาร บอยให้บริการและถามว่าต้องการเครื่องดื่มอะไรกระปรากฏว่าแฟนสาวขอเพียงน้ำแข็งเปล่าแก้วเดียวเมื่อบอยยกมาให้และเสิร์ฟน้ำแข็งเปล่าแก้วหนึ่งไม่ใส่หลอดดูดมาให้แฟนสาวจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่ชุมพลคะน้องอยากได้หลอดดูดค่ะชุมพล ลุกขึ้นไปหยิบเอาใจแฟนสาวทันทีเอา้านี่น้องพี่เอาหลอดมาให้แล้วก่อนเขาจะนั่งแฟนสาวก็พูดขึ้นอีกว่าพี่ชุมพลคะน้องอยากได้หลอดยาวคะ่ะจะได้ไม่ต้องยกแก้วขึ้นดูดหันมาก็ดูดได้ทันทีคะ่ะชุมพลนึกในใจรักมากขึ้น เพราะเห็นความฉลาดของแฟนสาวเอน้องของพี่ฉลาดดีแท้พี่ขอแต่งงานด้วยซึ่งแฟนสาวก็พอใจเป็นอย่างยิ่งในการต่อมาเขาทั้งสองแต่งงานกินอยู่ด้วยกันจนมีลูกสองคนฝ่ายกระทาชายนายชงพลก็เมามากขึ้นพระเสียใจที่มานึกได้ในตอนหลังว่า ที่เขาคิดว่ามีเมียฉลาดในการพบครั้งแรกนั้นขอหลอดกาแฟยาวๆดูดน้ำนั้นความจริงเมียของเขาขี้เกียจมากกว่าแม้แต่ยกแก้วน้ำยังขี้เกียจยกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเวลาเปลี่ยนไปชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงยามรักกัน ทุกสิ่งทุกอย่างคิดดีไปหมดพอเก่าเป็นสนิมจะมองเห็นความเป็นจริงขึ้นได้ทันที